ฟันผู้ที่ตำหนิพระพุทธเจ้าข้าไม่ละวาจานะตกนรกแน่น อ, น, อนนะไม่มีไม่กี่สูตรนะที่พรองแบบแหมถ้าจะยืนยันลักษณะแบบนี้นะเที่ยงแท้เนที่จะตกนรกเที่ยงแท้แหมบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอ น, นันตเรียกรรมอนันตเรียกกรรมเนี่ยตกนรกไม่มีระหว่างขั้นที่จริงอันเนี้ยน้องน้องอนันตริยกรรมถามว่าน้องๆองอรียนอนันตเริยกรรมเนี่ยอะไรคือปกติเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อทหารทำโลหติตพระพุทธเจ้าให้ห่อตกนรกแน่นอน แต่ตรงนี้ยังพอจะไม่ตกนรกได้ก็คือขอโทษซะถ้าขอโทษก็ไม่ตกนรกถ้าขอโทษถ้าขอโทษนะไม่ตกนรกถ้าไม่ขอโทษตกนรกแน่นอนคือคือยังดีกว่าอนันตริยกรรมว่ายังขอโทษยังพอสละคืนความคิดนั้นเสียะละวาจานั้นสละคืนความคิดความเห็นนั้นเสียถ้าละแต่มันก็ยา ก, กนนะเหมือนกันนะเหมือนกับกําลังตกเหวอะเกือบจะตกเหวกําลังลื่นไหลนะถ้าเบรกทันก็ไม่ร่วงว่างั้นแต่ถ้าไม่เบรก ตกเหวแน่นอนนะแล้วก็ลึกหลายชั่วระดับลึกหลายร้อยเมตรนักแร่เหวอันนี้เนี่ยนะกระิรกย์บกระสารไปไปเป็นเดรชาเป็นเดรชาเนี่ยนะเนื้อของเราเนี่ยเนื้อเขาก็เล่ไปไว้ที่หนึ่งหนังก็เล่เอาไปไว้ที่หนึ่งกระดูกก็เล่เอาไปไว้ที่หนึ่งเหมือนกันนะขนก็เอาไปไว้ที่หนึ่งโอ้ยถ้าไปเป็นเดรชาแล้วกระจัดกระจายอีกกี่ชาติเนาะเนี่ยนะจะสังเกตดูพวกกลุ่มเหล่าสัตว์ในอบยัยนะจะทุกขนาดไหนกันเนี่ยนะ มันเราก็รู้ว่าประตูแห่งเหตแหุแห่งสุขกับเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเราก็ดูว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วมีผลอย่างไรถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเสียหายอย่างไรเนี่ยนะอย่างภาษารีบุตรผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรเป็นยังไงดับขันธปรินิพานเข้าถึงสุขอันหาประมาณไม่ได้สุนัขาตาลิชวีบุตรผู้เที่ยวโพลธนากลด่าพระพุทธเจ้าไปไหน ทุกต่งางชาตินั้นแกก็ทุกข์หนักหนาแล้วแทบไม่มีเพื่อนคุยอยู่แล้วะแทบไม่มีเพื่อนคุยนะในชาตินั้นเป็นคนอาพับพมากแต่ถามทําไมพระพุทธเจ้ายัางพูดถึงสุนัขาตาฤชวีก็เพราะว่าอาศัยเรื่องราวของสุนัขาตาฤชวยียังพอช่วยคนให้บรรลุมรรคผลได้อีกอีกเยอะอนะอย่างพระเทวทัตพระองค์รู้ไหมว่าคนเลวไม่ดีอย่างไง น, น, นี้บอกรู้แต่เอาพระเทวทัตเป็นตัวอย่างประกอบบรรลุเยอะแยะเลยนะก็ลืมขอยืมเป็นตัวอย่างหน่อยแล้วกันอย่างนั้นเออ พระ อ, องค์ก็เลยยืมออกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะซึ่งแบบไม่ไ ม, ไม่ถูกฟ้องร้องผิดกฎหมายอะไรด้วยนะก็เลยยกตัวอย่างสุนัขขตาฤชวีบ้างยกตัวอย่างพระเทวทัตบ้างเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าบางทีเนี่ยนะบางคนเนี่ยคือพระ อ, องค์จะเกิดมาในโลกหรือไม่เกิดเขาก็ตกนรกอยู่ดีบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างอะไรน้านางมาคันธิยาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเกิดมาในโลกพระ อ, องค์ไม่เกิดก็ตามพระ อ, องค์จะแสดงธรรมหรือไม่แสดงธรรมก็ตาม อนาคตตกนรกแน่นอนนะบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้ายังแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องอย่าเอาเนี่ยนะใครบ้างพระองค์แก้ไขไม่ได้มีตั้งหลายคนนะที่น่าสนใจมากก็คือเนี่ยพระเจ้าสุปะพุทธเนี่ยอพี่ชายของพระนางประชาบดีโคตมียพี่ชายคนโตเชื่อว่าพระเจ้ามหาสุปะพุทธพระเจ้าสุปะพุทธเนี่ยนะพี่พี่ชายของพระนางเสด็จมหามายาเป็นพ่อของพระนางยโสธราพิมพา เป็นปู่ของพระราหุลเออเป็นคุณตาของพระราหุลตกนรกเนี่ยนะทำกรรมอะไรก็วยเป็นนั่งดื่มเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าบินทบาทอยากจะลองดูสิหลานเรามันจะทํำยังไงทั้งๆ ท, งที่ตัวเองเป็นลุงนะเล่นกับหลานแล้หลานเป็นลูกเขยด้วยผูกเวรบอกนี่ไงอะอะไรแต่งงานกับลูกเราปล่อยให้ลูกเราสาวเราเป็นไม้อัะนนะีให้พระเทวทัตลูกชายเราบวชตั้งตัวเป็นศัตรูกับลูกชายเราอีกจะจองล้างจองผลาญกันไปถึงไหนค่ะเนี่ยนะะโกรธมากเลย ในที่สุดก็ดื่มเหล้าขวางถนนจะแน่สัแค่ไหนหลานเราอ่างนั้นในที่สุดอพระองค์พอเบินบินทบาทก็พระเจ้าสุภพุทธ์นะบินทบาทยืนอยู่อนั่งดื่มเหล้าขวางทางอานะขวางตรอกบินทบาทพระองค์ก็เดินทางกลับก่อนกลับพ ร, พระองค์ก็กยิ้มพระนุษก็ถามว่ายิ้มอะไรบอกอีกเจ็ดวันนะตกนรกนะแผ่นดินสูบเข้าถึงนรกอีกเจ็ดวันนะ ปกติแล้วพระเจ้าสุปปพุทธนเนี่ยนะแกก็เชื่อนะว่าพราะองค์ตรัสยังไงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแต่วันนั้นกันหัวเราะเลยขำเลยหัวเราะบอกว่าเออเนี่ยถ้าบอกว่าจะแผ่นดินสูบเอออย่างงีงเราจะกลัวนี่นะดันไปกําหนดวันให้เราไม่อีกเจ็ดวันโอ้ยวันที่เจ็ดเรื่องอะไรเราจะลงมาให้แผ่นดินมันสูบใช่ไหมเราก็ฉลาดเนี่ยก็ก็เลยมีปราสาทเจ็ดชั้นแล้วก็ขึ้นปราสาทเจ็ดชั้นแล้วก็ตัดบันไดทั้งหมดวางนักมวยปล้ำอยู่ทุกประตู นะว่าเนี่ยอย่าให้ชั้นลงเด็ดขาดนะพวกแกนะก็เลยเอาพวกนักมวยปล้ำพวกเบื้องๆนะมาควางประตูไว้หมดเลยพอถึงวันที่7เนี่ยไอ้พวกนักมวยปล้ำเลยช่วยกันถีบถีบถตกลงมาก็หวกกันกันหมดเลยนะไอ้ที่ช่วยรักษาที่ไหนได้ใช่ไหมตกนรกเลยนะพระเจ้าสุภพุทธก็ตกนรกไปแกเรียกว่ากลุ่มทั่วถู ก, ถกแผ่นดินสูบ ก, ก็มีใครบ้างมีนางมาคันทิยามีพระเทวทัตมีนันทยักษ์แล้วก็มีนันทมานพเนี่ยพวกกลุ่มเนี่ยตกนรกแผ่นดินสูบ สมัยใหม่ก็โหแผดตกไปในแผ่นดินแค่แผ่นดินถล่มตายจริงไร้มือเนี่ยนะวันนี้ก็ธรรมดาแล้วละ่ะอันเวลาทํากรรมมันก็วิจิตจริงๆเวลากรรมมันให้ผลมันก็วิจิตแท้เนี่ยนะมันก็ถ้าทํากรรมมาแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงไหนกรรมมันจะให้ ม, ใหมันจะหลุดบ้างบาปที่ทําไปแล้วเนี่ยจะไปเก็บไว้ไหนนาะเนี่ยนะพันละล ะ, ละบาปได้เท่าใดมันก็เป็นบุญของเราเท่านั้นเพิ่มพูนบุญเท่าไหร่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขเหล่าเท่านั้นทีนี้ในบรรดาบุญทั้งหลายบุญที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่แหละช่วยให้เราพ้นทุก์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเดี๋ยวสูต ข, ข้างหน้าต่อไปเนี่ยยืนยันเสมอว่าต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําจริงๆถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นผู้นําจริงๆนะถ้าคิดเองเออเองเดาเองพูดเองทําเองคิดเองเมื่อไหร่นะของเราคือใครใช่ไหม ต้องไม่ลืมว่าของเราคือใครทานนะบารมีให้มาแค่ไห น, น, นสมมติว่าถ้าเราอ่ะในไหนฉันจะเชื่อมั่นตัวเองละฉันเอาฉันเข้าว่าอย่างเดียวนะเพราะฉันผลไม่ธรรมดาก็ขอ ก, ก, ก, ก็ใช่แล้วก็คนไม่ปกตินะทีนี้บอกว่าอ้าหนึ่งมาเช็คดูว่าหนึ่งทานนี่บารมีนี่ทำมาแค่ไหนสีแลบารมีเน่คัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาและอุเบกขาทามาแค่ไหนได้รับใครพยากรณ์มาบ้าง อันนะั้หมอดูที่ไหนดูดวงมาบ้างไหมว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะอย่างมากก็ไม่ใช่ว่าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอย่างแกงก็ไปดูหมอมาเนี่ยนะแล้วก็อย่างอื่นอีกดูได้อีกไหมสารวจตรวจสอบแล้ไอที่รู้นี่รู้อะไรบ้างคิดว่ารู้หรือว่ารู้จริงๆรู้แล้วคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์ได้ไหมอาศัยแต่ความเชื่อเนี่ยนะเชื่อหลือเกินเชื่อหลือเกินเชื่อแล้วพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าพ้นทุกข์ได้ก็ดีจริงแต่ถ้าความเชื่อเหล่านั้นน่ะนะแขวนไว้ผิดที่ ศรัทธาไว้ผิดที่เหมือนกับฝากทรัพย์ไว้ผิดที่อ่นะฝากเงินไว้ผิดที่เนี่ยไปฝากสตังเอาไว้กับขี้เล่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไปฝากสตังเอไว้กับบ่อนอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวฝากสตังไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวก่อนอย่างเงี้นยนะแต่เย็นจะกลับมาเอาเนี่ยนะ้หมดไปตั้งนานแล้วก็เหมือนกับขนาดอะไรนะชูชกฝากสตังเอาไว้กับเพื่อนยังไม่เหลือเลยใช่ไหมมีอยู่เรื่องชูชกเขาไปขอทานมาเด้งพันกหาปณะนะโอ้รวย ก็เลยเออเราเนี่ขอทานไปเก็บตังไว้ไหนดีเนาะไปฝากไว้กับเพื่อนดีกว่าเพื่อนเรายังพอแน่ใจให้มันมีครอบมีครัวมีลูกมีอะไรแล้วแล้วก็ฝากไปนี่ชูชกกไปเที่ยวขอทานไปขอทานไปตั้งหลายปีเพื่อนทางนี้ก็นึกว่าตายแล้วมันไม่มาตั้งหลายปีใช้เงินหมดเลยเพอใช้เงินหมดเท่านั้นชูชกโผล่มาเลยตังชั้นแม่ไหนเพื่อนหมดแล้วใช้หมดแล้วจะนึว่าแกตายแล้วบอกไม่ได้เ อ, อะอโวยวายในที่สุดก็เลยยกนางอมิตตาปนาให้นะเนี่ย นั่นแหละเขาบอกว่าฝากผิดที่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยคือคือบางอย่างนี่ก็เป็นลักษณะ น, นั้นเพราะฉถ้าเราพลาดเนี่ยนะศรัทธาของเราถ้าไม่มากด้วยยิ่งฝากผิดที่ฝากฝากไว้กับผู้ที่ไม่ใช่พระพระธฐาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาคือทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยนะน่าสงสารขนาดไหนถ้าทำยังไงใจเราจะได้มั่นคงในพระพุทธคุณเอาไวเ้เสมอๆก็ม า, มาว่าอย่างที่ศึกษาในยุคหลงัลงๆมาสนใจเรื่องปฏิบัติขนาดนั้นขนาดเนี่ย ถ้าจะปฏิบัตินะท่านแนะนําให้บอกว่าถ้าจะขอกรรมฐานนำมาทนะ่านมาจะให้บอกว่าทํายังไงคุณจะได้มีศรัทธาในพระพุทธเจา้าอันนี้แหละเป็นกรรมฐานเบื้องต้นว่างั้นเถอะเป็นเบื้องต้นของกรรมฐานที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลไอ้เรื่องเ ว, เวทนาจิตธรรมไม่ต้องไปหนักใจมากหรอกปัญหาว่ารู้ว่าพระพุทธเจา้าท่านตัดสรู้อะไรก่อนนี่แหละมันจะพอจะเป็นแนวทางบรรลุต่อให้รู้ว่าเป็นอสุภะไปนั่งปฏิกูลอยู่ในซากศพมันดียังไงอ่อ ไปอยู่ในป่าช้าเลยไปเห็นดูกองกระดูกกองผนเปินทุ่นตึกไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วเราบรรลุอะไรอ่ะน้องทบทวนให้มันดีนะถ้าเห็นอันนี้จังมองอะไรก็ระเบิดตุมต่มๆเ ต, ต, ต, ต้มไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันดียังไงท่านต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เขามาปฏิเสธวิ ธ, ธีการเหล่านั้นนะแต่ที่สําคัญคือว่ารู้จักจุดมุ่งหมายให้มันชัดเจนก่อนกําหนดทิศทางให้ดีๆก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไร ท่านตรัสรู้ว่าอย่างไรพระองค์อยากให้เรารู้อย่างไรสิ่งที่เราทําเราต้องไม่ลืมว่าทับปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นของพระพุทธเจ้าเราต้องใส่ใจเรื่องของพระพุทธเจ้าให้มากพระองค์ว่าอย่างไงพระองค์คิดอย่างไรพระองค์บอกอย่างไรพระองค์ต้องการสื่ออะไรกับเราแล้วเราเข้าใจอย่างที่พระองค์บอกไหมเช็คตัวเองอยู่ตรงนี้ให้ตลอดเวลา น, นะถ้าอย่างนี้ปลอดภยัยแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยฉันก็เป็นตัวของตัวเองสมัยนี้ประชาธิปไตยแล้วไหนนะ ไม่ใช่ปกครองแบบบบราณแล้วประชาที่ปไตยใครทาอยากทําอะไรก็ทำก็อย่าอ้างพระพุทธเจ้ากัแล้วกันอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องพยายามทบทวนนะนะ ก, ก็ค่อนข้างเป็นห่วงในในยุคหลังๆมากยิ่งศึกษายิ่งห่างพระพุทธคุณถ้าห่างพระพุทธคุณอยู่ในใจนี่ก็หมายความว่าหมายคำ ว, ว่าไงก็หมายความว่าไม่มีศรัทธาแม้แต่ศรัทธาในธรรมวินัยนี้เขายังไม่มีเขาจะตรัสรู้ธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร เพียงแต่ความเลื่อมใสแห่งใจเขาก็ยังไม่มีอ น, นะพระองค์บอกว่าถ้าแม้แต่ศรัทธาของเขาก็ยังไม่มีโมฆะบุตรเหล่านี้เนี่ยห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้แม้แต่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปแห่งที่แห่งหนึ่งมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะไปทําตัวเลอะเทอะเลีวไหลามากจนเรียกว่าจนต้องมีทํากรรมทําอะไรเนี่ยนะมีอยู่ครั้งพระองค์ก็เสด็จไปณที่ตรงนั้น พระภิกษุเหล่านี้ไม่ยอมเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยในที่สุดพระองค์ก็บอกว่าบุคคลเหล่านี้หรือท่านเหล่านี้แม้แต่ศรัทธาในในธรรมของพระองค์ก็ยังไม่มีจะกล่าวไปยิ่ถึงบุคคลเหล่านี้จะได้บรรลุเพราะบุคคลเหล่านี้หลีกไปแล้วจากธรรมวิไนนี้ไกลเพียงใดเนี่ยนะไกลขนาดไหนแล้วถ้าไกลพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยนะถ้าใกล้ใกล้คนพาลไกลบัณฑิตเนี่ยนะก็อัปมงคลแล้ว ทุกอย่างเป็นเหตุแห่งความเสื่อมหมดถ้าใกล้พระพุทธเจ้าบางคนบอกโอ้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเด่นจะดังเกินไปอย่างนั้นห่างพระองค์ไว้หน่อยเอ๊้แล้วมันอพระองค์ก็ถึงภาวะที่คงที่แล้วล่ะเราจะนับถือพระองค์หรือไม่นับถือพระองค์พระองค์ก็เป็นเช่นกับพระองค์นั่นแหละอย่างเนี้ยพระองค์บอกว่าพระองค์มีทศพลยานสิพระองค์มีเวสาลชยานสี่พระองค์มียานที่ไม่คลั่นคล้ามในบริษัททั้งแปด ผู้ใดจะนับถือพระองค์หรือไม่นับถือพระองค์พระองค์ก็เป็นเช่นนั้นแหละเหมือนอย่างแสงสว่างดวงอาทิตย์เราหลับตาเราลืมตาดวงอาทิตย์ก็สว่างเช่นเช่นเดิมพระไตรปิฎกมันก็พิมพ์อยู่อย่างนี้เราจะอ่านหรอือไม่อ่านพระไตรปิฎกก็มีอายุขายตามพระไตรปิฎกแหะตามหนังสือตามอะไรแค่นั้นแหะเราจะอ่านเราก็ได้ความรู้ถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่ได้ความรู้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินก็คือแผ่นดินนั่นแหละถ้าเราอาศัยอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินก็ให้อาศัยท่านไม่ว่าหรอกบอกไม่ยอมอ่างนั้นนะ หรือไม่ก็เหมือนอากาศพันธระรัตน์ตรายอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับโอสถเป็นเหมือนกับแสงสว่างเป็นเหมือนกับเมฆฝนสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นคือพระพุทธเจ้านั่นคือความประพฤติของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์กรุณาสัตว์ทั้งหลายปรารถนาที่จะให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไม่ปฏิบัติตามก็น่าเสียใจจริงๆอ่ะนะน่ากรุณาจริงๆ ขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยในข้อ169ดูก่อนสาริบุตรกําเนิดสี่ประการเหล่านี้สี่ประการแลสี่ประการเป็นไฉไรคืออันตชาคกาเนิดเกิดในใครชลาปุชาคกาเนิดเกิดในคันสังเสทชาคกาเนิดเกิดในเท่าใครและของสกรปรกเนีนะ โอปปาติกะกาเนิดเกิดในผุดขึ้นดูก่อนสารีบุตรก็อันธชักําเนิดเป็นฉนัยสัตว์เหล่าใดช้ำแรกเปลือกแห่งฟองเรียกว่าออกจากไข่เกิดนี่เรียกว่าอันธชักําเนิดก็าเรียกว่าพวกที่ชาชาติเกิดในท้องแล้วก็เกิดออกจากไข่เนี่ยนะเรียกว่าเกิดในไข่คลอดออกมาจากไข่เช่นพวกเป็ดพวกห่านพวกอะไร เ, เป็ดห่านจิงจกตุกแกงู เต่าพวกนี้ก็เรียกว่าเกิดในไข่เนี่ยนะนี่เรียกว่าพวกอันธชากําเนิดดูก่อนสาลีบรชลาผู้ชากําเนิดก็คือสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดคลอดจากมดลูกเนี่ยนะออกมาจากมดลูกนี่เรียกว่าชลาผู้ชากําเนิดคืออาศรรัยมดลูกเกิดนั่นเองเช่นพวกสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าไม่ใช่น้อยเนี่ยนะส่วนสังเสริชากําเนิดเป็นไงนพวกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดที่เกิดในปลานเน่า เพราะพวกหนอนทั้งหลายกิมีชาติที่เกิดในปลาเน่าเกิดในศพเน่าเกิดในขนมบูดเกิดในน้ําครามเกิดในเท่าใครของสกร ป, ปรกนี้เรียกว่าสังเสริชาติกำเนิดดูก่อนสารีบุตรโอปปาติกะกําเนิดเป็นฉนเทวดาเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจําพวกคือมนุษย์ต้นกับเนี่ยนะและเปรตบางจําพวกนี้เรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดดูก่อนสารีบุตรกําเนิดสประการเหล่านี้แหล ดูก่อนสารีบทผู้ใดแลพึงว่าเราผู้รู้อยู่ะนะผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นยานญานณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมเนี่ยทรงแสดงธรรมตามที่ตามที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตราตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งไล่เอง ดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาพึงกระยิมอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบุตรเรากล่าวข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสีย ไม่ละความคิดนั้นเสียถ้าไม่เลิกคิดนะถ้าไม่สละทัศนคติคือความเห็นนั้นเสียเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกเพราะกําเนิดสีเนี่ยนะใช้คําว่ากําเนิดสีแปลว่าชาตินะชาติชาติการเกิดไม่ว่าจะเกิดในในไข่เกิดในครันเกิดเป็นอปอสังเสรชาติในเท่าใครหรือโอปปปาติกะชาติที่เป็นเหตุแห่งชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนั์และอุปาญาตมีอะไรบ้างที่พระองค์ไม่รู้ แม้แต่พระพิสูุรูปหนึ่งที่ไปเกิดเป็นตัวอะไรนะตัวตัวไรใช่ไหมไรฝุ่นนะ่ะตัวเลนนะ่ะเลนก็คือกลุ่มไรฝุ่นนั่นแหละที่ไปเกิดอยู่ในผ้าโปรงยังเห็นเลยนะโปรงยังเห็นเลยว่าเนี่ยเขาไปเกิดเป็นเลนเกิดเป็นตัวเลนหรือเกิดเป็นตระกูลไรฝุ่นที่อยู่ในผ้าเพราะพระพิสูุรูปนั้นมีใจเกาะเกี่ยวในผ้าจุติตรงนั้นแล้วก็ไปเกิดในผ้าผืนนั้น ก้องรู้นะว่าใครเป็นใครเนี่ยนะมลงตัวไหนมาจากไหนอดีตชาติเคยเกิดเป็นใครผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปอะไรจะเกิดเป็นอะไรต่อไปพระองค์เห็นหมดพระองค์มีสัพพันธ์อูรู้สรรพสิ่งยานที่กําหนดกําเนิดทั้ง4ี่เนี่ยนะกำหนดกําเนิด4ีว่ากําเนิดสีเนี่ยเกิดจากอะไรกรรมเหล่าไหนมานําเกิดกําเนิดเหล่านั้นมีอายุเท่าไหร่มีองค์ประกอบแค่ไหนและอย่างไรเสวยทุกเช่นใดเช่นใด พระองค์รอบรู้ในกำเนิดเหล่านั้นทั้งสิ้นบริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีเหลือมันผู้ใดไปกล่าวว่าพระองค์เนี่ยไม่มีอริยมรรคไม่มีสัพพัญญุตยานเนี่ยนะก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเลยแหล ะ, ะทบทวนที่พระองค์รู้บริษัทธแปดเนี่ยนะบริษัทธ์แปดมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้บอกว่าพระองค์มีเวสารัชยานสี่และเป็นผู้แ ก, กล้าใน บริษัทแปดบริษัทแปดคือกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทเครืหบดีบริษัทสมณะบริษัทอนนะพวกนี้แล้วก็ต่อไปอีกจ่าตงบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทพรหมบริษัทเนี่ยนะบริษัททั้งแปดบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าในบรรดาเข้าสู่สภากษัตริย์นี่ไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นนะใช่ไหปกติเนี่ยตื่นเต้นแต่พระองค์ไม่มีเลยหรือว่ามหาเศรษฐีสมาคมมหาเศรษฐีเนี่ยนะ เป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่เคยตื่นเต้นอะไรเลยแม่แม้ก็ทั่งนอย่าว่าแต่มนุษย์เลยอะมนุษย์เนี่ยนะปกติคนได้ยินชื่อเทวดาได้ยินชื่ออะไรก็ยังผวากันแล้วแต่นี้พระองค์ก็ไม่ขั้นขามและก็ที่พระองค์ไปในบริษัททั้งแปดไม่ใช่เฉพาะในจั ก, กรวาล น, นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่แม้จั ก, กรวาลเหล่าอื่นในหน้าแปดสิบห้าย่อหน้าพระองค์ไปจักรวาลอื่นดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระอนนท์ฟังว่าอานนท์ เราเข้าไปหาขัติยะบริษัทหลายร้อยย่อมรู้เฉพาะแหล ว, ว่าบริษัทนั้นพวกเขามีสีวันณะเช่นใดเราก็มีสีมีวันณะเช่นนัน้นนะการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยนะเขามีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกระถาพระองค์ไปสอนเขาเข้ากําลังประชุมบ้านประชุมเมืองอะไรของเขาพระองค์ก็ไปแฝงถ้าไปเนรมิตพระองค์เองพระองค์รัฐประเทศบรรยายให้เขาฟัง พวกเขาไม่รู้อยู่ว่าผู้เนี้ผู้ที่กล่าวนี่ยเป็นใครเป็นเทวดาเป็นมันหรือเป็นมนุษย์ครั้นพระองค์แสดงทำให้เขาเห็นแจ้งสมาทานให้อาถานให้รื่นเริงแล้วด้วยทำมีกถาก็หายไปเขาไม่รู้ว่าผู้ที่หายไปผู้ที่หายไปนี่ยเป็นใครหนอแหละเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเขาไม่รู้ด้วยซ้ําเลยว่าผู้ที่มาพูดเนี่ยเป็นใครแต่รู้ว่าพูดดีรู้ว่าผู้ดีเนี่ยนะ ทีนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยบอกว่ากษัตริย์ที่ประดับด้วยสังฆมาลาของหอมหรือว่าผ้าหลากสีสวมกุนทนแก้วมณีทรงโมลีฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประดับพระองค์เช่นกับกษัตริย์เหล่านั้นหรือถ้าหากว่ากษัตริย์เหล่านั้นมีผิวเขียวผิวดำผิวคล้ำภาษาสดาก็เป็นอย่างเช่นนั้นหรือบอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกภาษาสดาเสด็จไปด้วยเบ็กเพศบัประชิดของพระองค์เองแต่ปรากฏเป็นเช่นกับกษัตริย์เหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงพระองค์ก็ประทับนั่งบนพระราชอาสน ย่อมเป็นเช่นกับกษัตริย์เหล่านั้นดูเหมือนกษัตริย์เหล่านั้นอ่นะเพราะฉะนั้นพวกบริวารของกษัตริย์เหล่านั้นบอกแม้พระราชาของเราเนี่ยรุ่งโรยยิ่งนักถ้ากษัตริย์เหล่านั้นมีสุรเสียงแตกพร่าหรือเสียงลึกเสียงเหมือนกาเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมด้วยเสียงเช่นกับพรหมแต่อันนี้พูดว่าพระองค์พูดเหมือนเขาก็แปลว่าใช้ภาษาเหมือนเขาถ้าดูจากภายนอกเหมือนแต่งตัวเหมือนพวกเขาภาษาก็เหมือนเป็นภาษาของพวกเขา เพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์ตรัสเนี่ยตรัส ด, ด้วยเสียงที่อ่อนหวานฟังแล้วฟังไพเราะเข้าใจได้ง่ายเป็นต้นเนี่ยนะเข้าแล้วนะเอ๊คนเนี้เป็นใคร น, นะเข้าเป็นใครเนอเป็นต้นเนี่ยแล้วก็หายไปพระองค์ไปเทศอย่างนั้นทําไมทั้งๆที่ไม่มีใครรู้จักพระองค์เลยนะว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าตอบว่าเพื่อประโยชน์แกว่วาสนาพระองค์ทรงสแสดงเพื่อมุ่งอนาคตว่าธรรมะแม้ที่ได้ฟังนี้ย่อมเป็นปัจจัยใน อนาคตเนี่ยนะย่อมเป็นปัจจัยให้เขาบรรลุมรคผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทําเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลพระองค์ช่วยแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักพระองค์เพราะพระองค์วังไม่ได้หวังเพื่ออะไรนะลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงอันนะอันนี้สงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เลยพระองค์ทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เหล่าพสกนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายแม้ไม่รู้จักชื่อพระองค์ไม่รู้จักพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอให้เขาได้รับประโยชน์เป็นใช้ได้พระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นชาวโลกจะรู้จักพระองค์หรือไม่รู้จักไม่สําคัญแต่ที่สําคัญว่าพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเนั่นส่วนเกี่ยวกับเรื่องคติห้าเนี่เรื่องยาวเลย